พระธรรมเทศนาแผ่นที่90สลำดับที่15โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่13กุมภาพันธ์2559มีชื่อเรื่องว่าวางตัวผิดธรรมผิดวินัยวันนี้เป็นวันเสาร์ ที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559วันนี้หลวงพ่อฉันจังหารเสร็จเรียบร้อยแล้วคงจะไปพี่น้องชาวบ้านนาคำน้อยที่เป็นที่ตั้งอำเภอนายุงนะ่คืออำเภอนายุงตั้งอยู่ที่บ้านนาคำน้อยแต่ชื่ออำเภอนายงุงบ้านนายุงอีกทางซ้ายมือของหลวงพอ่อ นาคำน้อยนะ่ยอยู่ทางขวามือของหลวงพอนะ่อเขามีศรัทธาญาติโยมมาจากกรุงเทพสมุทรปราการมาสร้างโบสถ์วันนี้จะยกช่อฟ้าเหมือนกันนะพอฉันยังหารเสร็จหลวงพ่อจะเอาพระทั้งเก้าองค์ในวัดของหลวงพ่อไปยกช่อฟ้าที่วัดบ้านนาคำน้อย คงจะอีกหลายเงินอยู่คงจะเสร็จได้นะแต่หลวงพ่อก็ยังบูชาน้ำใจของผู้ที่มาสร้างโบสถ์หลังนี้ที่มาเห็นแล้วก็ไม่มีโบสถ์วัดบ้านไม่มีโบตก็มีพระอยู่ประจำ ก, ก็เลยมีศรัทธาประวัลนาตัวว่าจะขอมาสร้างโบสถ์ให้แต่ก็พยายามทยอยมาเรื่อยๆ ทอดกระทินทอดผาปา่ท า, ปาทอดกาปาทอดกระถินเพื่อมาให้มันหยุดดูๆหลวงพ่อเห็นแล้วโอ้น้าใจน้าใจเจ้าภาพเป็นน้ําใจที่ตั้งอกตั้งใจจริงๆอยากจะให้โบสถลังนี้สำเร็จลุล่วงเพราะหลวงพอ่อรู้ม า, าตั้งแต่เริ่มแรกเพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้นามาพูดตลงพ่อก็ให้ เขานีมนต์ทีไรหลวงพ่อเนี่ยตอนวางชิลาเลิกของพ่อเข้าไปเดี๋ยวยกโชฟ้าวันนีน้อันนี้ก็เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีคนสร้างบุญบารมีมต่างกันแต่วันนี้ก็เห็นท่านนายอำเภอของเราที่ย้ายไปจากอําเภอนาอยูงไปอยู่อําเภอบ้านดุง ก็เห็นพี่น้องศรัทธาญาติโยมอำเภอบ้านดุงมาพร้อมกับนายอำเภอของเรานูมีเยอะพอสมควรท่า <formulas> นนายอำเภอออกจากนายยุงไปแล้วก็ยังคิดถึงหลวงพ่ออยู่วะกับคุณนายวันนี้มาพร้อมกับคุณนายแต่อเภอบ้านดุงหลวงพ่อก็ได้ไปแสดงธรรมในช่วงก่อนเข้าพรรษามั้งที่วัน ครบรอบวันมรณภาพอาจารย์อาจารย์พ่อครูน้อยจากนั้นกับพี่น้องอำเภอบรรดุงก็ไปมาหาสู่กันอยู่หลายครั้งในพรรษาแต่ถึงยังไงก็อยู่ในเขตอุดรของพวกเราแต่อำเภอนายวงเดี๋ยวนี้ก็วัดปา่าภูก้อนเป็นที่เป็นสถานที่ กราบไหวของพี่น้องชาวอุดอรเพมีพระพุทธรูกพระพุทธรูปสีห์อายญาติพระพุทธรูกนอนหาดูได้ยากเหมือนกันนะสวยงามคนในต่างถิน่นต่างแดนที่ขึ้นไปกราบพระแล้วก็ลงมากราบหลวงพ่อมาหาหลวงพ่อนี่ยมีเยอะไม่เคยมาในถิ่นนี้แต่ทราบข่าวว่ามีพระพุทธลูป สวยงามคืาคงจะโฆษณาประชาสัมพันไปให้คู่คนได้เห็นเพราะทุกวันนี้สื่อต่างๆมันไปได้ได้เร็วทั้งสื่อความดีทั้งสื่อความชัว่วนไปได้เร็วแต่ในทางสื่อทางผูก้อนเนี่ก็ออกไปคนทั้งหลายกันหลังหลายทะลักเขามามากราบมาไหว้หลวงพ่อก็เป็นพ้นดี เพอมากราบพระพุทธปฏิมาอย่างน้อยก็เป็นอนุสติกราบไหวดีกว่าที่จะไปเที่ยวเต่ไปทางอื่นอัมไวยมุกไปทางอื่นมากราบมาไหว้พระอย่างน้อยก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็พร้อมกัน อย่างในทางพระพุทธศาสนาอย่างที่นี้ไวยวุฒคุณวุฒนะแล้วไวยวุฒก็คือผู้ที่มีอายุคุณวุฒก็ผู้มีคุณมีคุณอุปการต่อประเทศชาติต่อบ้านเมืองต่อชุมชนของพวกเราอันนี้บอกคุณวุฒไวยวุฒก็คือผู้สูงอายุ ท่านก็ให้ความเคารพการอยู่ด้วยกันต้องเคารพซึ่งกันและกันให้รู้จักสถานะซึ่งกันและกันให้รู้จักการวางตัวแต่ละท่านแต่ละคนถ้าหาวันไม่ก้าวกายกันการอยู่ด้วยกันไม่ก้าวกายกันให้เคารพกันชุมชนและสังคมนั้นก็จะร่มเย็นเป็นสุขถ้าหาว่าใคร ไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ำอยากจะพูดอะไรก็พูดออกไปไม่ไม่สำ ม, มาคาระวะอยากจะทำอะไรก็ทำไปโดยที่ไม่รู้จักสูงไม่รู้จักสิ่งควรไม่ควรวจะพูดอะไรออกไปก็พูดไปโดยที่ไม่รับผิดชอบในคำพูดถ้าเราอยู่ในชุมชนกลุ่มใดชุมชนกลุ่มนั้นก็จะหาความสงบพรมเย็นเป็นสุขไม่ได้ ในสมัยครั้งพุทธการในครั้งพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าตันยกขึ้นมาในพระไตรปิฎกพูดในพระไตรปิฎกให้การเคารพซึ่งกันและกันสมัยก่อนเมื่อครั้งพุทธการพอบวชเข้ามาพระองค์ก็ใครบวชก่อนก็ให้เป็นอาวุโสแต่ต่อมาเนี่ยมีการก้าวกายกันฮะ อาวุโสเนี่ยตาสีตาสาลูกตาสีตาสามานะมาบวชอันหนึ่งพระราชามาบวชอขหบดีพราหม์เศรษฐีมาบวชจะให้ตามหลังลูกชาวนา ม, มาบวชลูกชาวสวนมาบวชไม่น่าจะถูกน ะ, ะเนี่นแหละคล้ายๆก็ว่าจะเอาถังโลกมัมากข่มแต่พอต่อมาก็ ที่เป็นเรื่องใหญ่ก็คือพระบรมวงศานุวงศ์ที่เป็นเชื้อพระวง์ของพระพุทธเจ้ามาจากกรุงกบินละพัทถ้าหลวงพ่อจําไม่ผิดนะชื่อว่าพระติตสักเนี่ยมีอายุมากคือทานว่าเป็นกหบดีทํางานรัชการในกรุงกบินละพัทมาก่อนจากนั้นก็มาบวชพอมาบวชก็ยันท่านก็ยังถือศักดิ์ถือศีออนอยู่ พอมาบวชเสร็จแล้วท่านก็มานั่งอยู่ศาลาอย่างนี้แหละผ่าบวชไม่นานมานั่งอยู่ศาลามีพระที่มีอายุพรรษามาท่านก็เห็นนั่งอยู่หัวแถวคนมีอายุแล้วเนี่ยก็เหมือนกับบวชนานนะพระมาเขาก็มาการาบพอมากราบท่านก็ยกมือไหว้ยกมือรับเขา ยกยกมือรับดะไปเรื่อยล้ว่าใครบวชก่อนกันมากราบกัยยกมือรับไม่ได้ถามพรรษาพอต่อมามีพระหนุ่มเพระหนุ่มหัวแข็ง <c oughs> ก็เอาท่านท่านบวชมานานหรือยังพระติดสะที่นั่งอยู่เลยก็บอกผมบวชยังไม่นานครับบวชยังไม่นานอ้าวท่านบวชไม่นานท่านทไมทำไมจะมานั่งอยู่ที่นี่ ควรจะไปนั่งที่อื่นท่านบวชเพิ่งมาบวชท่านจะมานั่งที่นี่ได้ยังไง เ, เนี่ยพระที่มากราบท่านมีแต่ล้วนแต่อายุพรรษาสูงๆทั้งนั้นท่านจะให้พระมีอายุพรรษาสูงมากราบท่านได้ยังไงมันไม่ถูกตามกฎกฎระเบียบเนี่ยหนีจะมาอยู่ที่นี่เขยๆว่าพระน้อยหนุ่มลุกลานแต่ตามไม่จริงพระน้อยหนุ่เราก็บวชก่อนท่านอีกน ท่านก็ท่านก็ขึ้นทางนั่นแหละท่านเป็นใครท่านรู้ไว้ว่าผมเป็นใครทางพระเขาบอกว่าจะเป็นใครก็เถอะเอท่านทําไม่ถูกอท่านเพิ่งมบวชใหม่ท่านทาไม่ถูกเนี่ยผมเป็นเชื้อพระวงศ์นะเป็นเชื้อพระวงของพระพุทธเจา้าอเป็นให้ข้าวว่าเป็น เป็นเชื้อพวงเป็นญาติผู้ใหญ่ของพุทธเจ้าเป็นเชื้อปู่ปู่เป็นปู่เป็นทวดลักษณะอย่างนั้นอ่ะทางนี้ก็บอกว่าจะเป็นใครก็เถอะท่านทําไม่ถูกแต่นี่พระเทลรนี่เก็เสียใจว่าหาว่าพระน้อยพระหนุ่มไม่ให้ความเคารพร้องไห้ฟูยไฟเลยท่านนี้นเสียใจพระบวชภายแก่เสียใจก็เลยไปกราบพระพุทธเจ้าเอาเถอะ ผมจะไปกราบปูนพระพุทธเจ้าพวกท่านทั้งหลายรู้รู้เองแล้วอะไรเป็นอะไรเหมือนะั น, นเลยท้าทายกับพระน้อยหนุม่มอีกพระน้อยหนุ่มก็โอ้ทั้งร้อนร้อนหนาวหนาวเลยท่านนี่เพราะว่าเป็นเชื้อพระวงไอผลที่สุดก็เลยจะแก่กันไปจริงๆเนี่ยพระติดใจพอไปก็ไปไปไพอไปหาไปถึงพระพุทธเจ้าน้ําตาฟูมไฟเหมือนงันเถอะ พระพุทองค์ก็ถามวัติสัะเธอเสียใจเรื่องอะไรทําไมจึงร้องไห้อ่ะวัติสาก็บอกว่าเนี่ยพระกลุ่มหนึ่งลุกลานฆ่าพระองค์ทําไมนี่ยนะอยู่ในที่ศาลาเน่ยไปตุดา่าฟูงไฟดูถูกฆ่าพระองค์ฆ่าพระองค์จะมากราบทูลพระพุทธองค์นไปรู้จักว่าฆ่าเป็นใครฆ่าพระองค์เป็นใครอกมาถามว่าที่ไหน มามาสิถามสิพอก็มาถามจริงจรงบอกอา้าวติดสะมันจริงอย่างที่เขาพูดนะอา่ามันจริงอย่างที่เขาพูดเพราะนั้นเธออย่าอย่าใหญ่อย่าทำอย่างนี้ออเพราะว่าการบวชเข้ามาเนี่ยมันต้องถือพรรษาผู้บวชก่อนมันจึงจะทุกข์แต่นี่พระติดสัไม่ยอม จากนั้นพระ พ, พุทธองค์จะประชุมสงฆ์เลยนะนะจากนั้นประชุมสงฆ์ประชุมสงฆ์ก็บอกว่าถามในที่ท่ามกลางสงฆ์เลยว่าดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลายแต่พระพุทธองค์ถ้ามีปัญหาเถิดท่านประชุมสงฆ์เลยนะท่านก็ประถามเพราะท่านจะตั้งกฎกติกาขึ้นมาดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลายการที่พวกเธอทั้งหลายเนี่ย จะยกย่องว่าให้เป็นผู้นำหน้าเป็นผู้นั่งหน้าเป็นที่เป็นที่กราบไหว้เนี่ยพวกเธอทั้งหลายจะให้องค์ไหนเป็นผู้เป็นผู้นำในคณะสงฆ์ที่อยู่ด้วยกันพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งก็บอกว่าผู้ที่บวชเป็นพระราชามาบวชควรจะให้เกียรติท่านควรจะให้ท่านเดินหน้าเป็นผู้นำหน้าพวกกลุ่ม ที่นับถือพวกพราหมณ์พราหมณ์มหาสารกันนี่ยนะพวกพราหมณ์ปโลหิตตายจานทั้งหลายพวกพราหมณ์ทั้งหลายควรจะเป็นผู้นําพวกหนึ่งยกย่องเศรษฐีทั้งหลายที่ร่ารวยที่สุดเข้ามาบวชควรจะเป็นผู้นําเป็นผู้เดินก่อนนั่งก่อนเออคือความเห็นของพระสงฆ์ไม่เหมือนกันพระพุทธองค์บอกว่าดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายผู้เข้ามาบวชในศาสนาของตถาคตเนี่ย ผู้ใดบวชก่อนผู้นั้นเป็นอาวุโสภิกษุที่เข้ามาบวชที่หลังจะเป็นระดับไหนก็ตามต้องกราบผู้ที่เข้ามาบวชก่อนเราถืออาวุโสคือผู้บวชก่อนนั่นแหละภิกษุที่บวชเข้ามาที่หลังต้องเคารพไม่เคารพไม่ได้ปรับอบัตถูกกฎ น, นี่เก็ตั้งกฎกติกาขึ้นมา จากนั้นพระองค์ก็บอกว่าดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลายขนาดเราตถาคตเป็นสัตติราชานเราอยัางให้เกียรติกันยังเคารพกันแต่พวกเธอทั้งหลายบวชมาในศาสนาของเราบวชมาเพื่อลักกิเลสละความโลภความโกรธความหลงทอมตนรู้จักสูงรู้จักต่ำแต่ในขนาดนี้พวกท่านทั้งหลายยังก้าวกกยกัน ไม่น่าจะถูกต้องแต่ขณะเราเป็นสัตว์ที่ราาักาันเรายังให้เกียรติ ก, น ก, กันพระสงฆ์ท่านเลยกราบภูลพระพุทธเจ้าว่าสมัยไหนพระพุทธเจ้าข้าที่ว่าพระพุทองค์เกิดเป็นสัตว์ที่รากฉนยังเคารพกันพระพองค์บอกว่าสมัยหนึ่งอยู่ในป่าป่าละเมาะแห่งหนึ่งในป่านั้นในป่าดวงนั้นมีช้าง มีลิงมีนกกระทานกกระทาลิงช้างหากินอยู่ในละแวกนั้นแต่ก็ไปด้วยกันเพราะว่าใกล้ๆวิชตาหรือว่าบุญบา ร, รมีเห็นกันแล้วถูกชะตากถูกชัตากันลักษณะอย่างนั้นช้างก็เห็นลิงก็พอใจลิงพวกลิงนกกระทาก็เห็นใจไปด้วยการหากิน แต่ทีพ่พอหากินด้วยกันเนี่ยก็ได้ถามกันเอ้เวลาเราจะเรียกกันเนี่ยเราจะให้ความเคารพกันเนี่ยเราจะเรียกกันยังไงทั้งช้าง น, ะนกกระลิงทั้งหลิงทั้งนกกระถาก็ถามว่าเนี่ยใครเกิดก่อนกันเราทั้งสามคนเนี่ยทั้งสามตัวเนี่ยอพอไปอยู่อยู่โคนต้นไทรต้นหนึ่งทางนกกระถาก็บอกว่า ข้าพเจ้าต้นใสตัวนี้อย่างไม่มีนะเดี๋ยวนี้คำมันออกออกลุกดอกออกผลยังไม่มีต้นใสตัวนี้แต่ข้าพเจ้ามาหากินกับแม่หากินไปกินต้นไใสต้นนู้นอ่ะอกินมาแล้วก็มาหากินแถวนี้ก็มาถ่ายราดแต่คิดว่าต้นใสตัวนี้เกิดเพราะอุจจาระเลยว่าเป็นที่เราไปกินต้นใสต้นน่ะเรายังไม่เคยเห็นต้นใสตัวนี้เราเกิดก่อนขนาดนั้นล่ะ ทางนกกรทาบอกทางลิงบอกว่าอืถ้าอย่างนั้นท่านต้องเกิดก่อนแน่เพราะว่าผมสมัยมาหากินแถบนี้ผมมาหากินผมยังยังได้งแงะคอยกสองขาขึ้นไปกินยอดไสตต้นนี้อายกจะไปกินยอดไสตต้นนี้แต่คนแต่ช้างบอกอูใช่ ถ้าอย่างนั้นท่านต้องเกิดก่อนผมผมเนี่ยมาหากินกับแม่เดินมาแถบนี่ไงไซต์ตัวนี้มันขนาดละสีข้างผมแล้วล ะ, ะสีข้างผมเพราะนั้นต้นชัยตัวนี้นกกทาต้องเกิดก่อนเพราะนั้นตวพวกเราทั้งสองต้องให้ความเคารพนกกทา น, นกกทาเป็นพี่ใหญ่นเนี่ย ขณะเราตถาคตเป็นสัตวติรชานก็ยังให้ความเคารพซึ่งกันและกันนกกรทาสมัยนั้นคือเราเกิดเป็นนกกรนะทาลิงคือภาษาลิบุตรช้างคือพโมกคลานะที่เกิดด้วยกันในคราวนั้นครั้งนั้นเพราะนั้นเมื่อพวกเธอทั้งหลายมาอยู่ด้วยกันต้องมีสูงต้องมีต่ำต้องให้ความเคารพซึ่งกันและกัน ถ้าหาว่าไม่มีความเคารพซึ่งกันและกันหาความสงบล่มเย็นเป็นจุกไม่ได้ในหมู่ในคณะอันนี้แหละคือในชาดกหรือว่าในพระไตรปิฎกท่านให้ความเคารพในการอยู่ด้วยกันให้ความเคารพซึ่งกันและกันวัยวุฒิก็คืออายุวัยปู่ย่าตายายผู้มีอายุสูงกว่าเราเห็นแล้วก็ยกมือไหว อันนี้คือไหว้วดขุนนวตกัอย่างที่เนี่ยอย่างทนายอำเภอกำนันผู้แย่บ้านาถึงจะเป็นผู้น้อยอก็จริงอยู่แต่เขามีคุนนวต เ, เราก็ยกมือไหว้หรือว่ า, า, าผู้แย่บ้านกำนันเห็นก็ยกมือไหว้ผู้เท่าผู้แก่นะั่นคือเป็นธรรมดาที่เห็นอยู่ด้วยกันเราเป็นลูกเป็นหลานก็ได้ต่างคนต่างยกมือไหว้กันให้ความเคารพกันอันนี้ปว่าัติไง วยวุฒกคุณวุฒก็คือผู้ที่ปกครองบ้านเมืองดูแลสารถุกสุขดิบของประเทศชาติบ้านเมืองตามขั้นตอนมีท่านนายอำเภอผู้กำกับผู้วา่าราชการจังหวัดจนถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงจะเป็นน้อยหนุ่มพวกเราพที่มีอายุมากก็แสดงความเคารพ อันนั้นคือคุณนวุฒิเนี่แหละในหลักของพุทธศาสนาการอยู่ด้วยกันถ้าวางตัวถูกไปอยู่นสถานที่ใดสงบพรมเย็นเป็นสุขถ้าว่าพวกเราไปอยู่ณนะที่ใดก็ตามใครอยากจะพูดล้วมปากระพูดออกไปโดยไม่รับผิดชอบไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ําไม่รู้จั ก, กสิ่งสิ่งควรไม่ควรควรจะพูดยังไง กับพ่อกับแม่ควรจะพูดยังไงกับครูบาอาจารย์ควรจะพูดยังไงกับเจ้านายผู้มีคุณวุฒิ ว, วิญญาณถ้าพวกเราได้ศึกษาศึกษาในจุดนี้นะเรามองตัวเองมองเจ้าของและก็มองท่านนะจากนั้นเราจะวางตัวถูกนะก็นา่าจะทายาทโยมลูกหลานนะถ้าว่าพวกเราวางตัวไม่ถูกไปที่ไหนเดือดร้อนนะ เพอเผยยังเข้าติดคุกติดตารางอีกต่างหากนะเพราะอะไรเพราะพูดออกไปโดยไม่มีสัมมาคารวะมันผิดกฎหมายบ้านเมืองเขาอีกเพราะนั้นทุกวันนี้ก็ยิ่งสื่อต่างๆถ้าพูดออกไปในสื่อมันบันทึกได้อีกต่างหากพูดออกไปมันหนีไม่ได้เมื่อพูดออกไปแล้วเสียหายเมื่อเสียหายเข้ามาแล้วน่ จับมาปรับไม้ใส่โทษเพืเอ่อเผอติดคุกติดตารางเพราะคำพูดตัวเองมันไม่คุ้มค่าจริงๆเพราะนั้นการเป็นอยู่ด้วยกันต้องคิดให้ดีคิดดีทำดีพูดดีถ้าคิดดีทำดีพูดดีไปอยู่ในสถานที่ใดมีแต่ความเจริญผาสุขมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอันนี้ก็คือการเป็นอยู่แต่เลือกศีลและธรรมในจิตในใจก่อน พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเพราะชีวิตของพวกเรามันมีจุดจบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้บอกว่าเอาความตายหรืออะไรมาขู่กันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเอาความจริงมาพูดให้กันฟังเตือนกันพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเนอะให้สังสมคุณงามความดีสังสมบุญกุศลไวนะ้เนหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ ท่านได้ไปพิสูจน์ดูแล้วท่านได้ไปพิสูจน์ดูแล้วถิศโครนต้นโพธิ์ที่ท่านได้ออกไปบวชนะ่ะในหลักของพุทธศาสนาเนะี่ยท่านได้ไปบําเพ็ญอยู่ทั้ง6ปีนะไปค้นคว้าศึกษาเนะี่ยเรื่องจิตวิญญาณตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูญนรกสวรรค์ความดีความชั่วนะจริงหรือไม่ตายแล้วมันศูนย์จริงจริงไหมตายแล้วเกิดหรือไม่ นี่พระพุทธเจ้าท่านไปค้นคว้าศึกษาเนี่ยทั้งหปีเอ่จึงได้ได้ความรู้ได้หลักได้นําหลักพระธรรมคําสอนออกมาประกาศเผยแผ่ไปตายแล้วไม่สูญนะเอ่ตายแล้วนะ เ, เกิดอีกแน่นอนเอ่ถ้าพวกท่านทั้งหลายอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดได้ตายแลดด้วลสูญให้นั่งภาวนานั่งขัดสมาธิอย่างพระพุทธลูปเอ่ยพอนั่งขัดสมาธิแล้วกำหนดลมหายใจเข้า รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้วหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกเมื่อจิตใจรวมสงบรู้ว่าจิตใจไม่คิดไม่ปุ้งไม่ฟุ้งไปทางอื่นจิตใจนิ่งอยู่กับลมหายใจเข้าออกเมื่อจิตใจนิ่งจิตใจรวมจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจใจกับกายร่างกายในที่นั่งอยู่นั่นกับตัวผู้รู้ตัวนึกคิดนั่น มันกวนละอันกันชัดเจนท่านจึงเปรียบเทียบ ว, ว่าร่างกายเหมือนกับรถจิตใจตัวผรู้ตัวนึกคิดเหมือนกับคนขับรถเข้ามาอยู่ในร่างกายแล้วก็ขับเคลื่อนร่างกายให้ขยับขยื่นได้ในเมื่อตายร่างกายนี่ตายแน่แต่นามธรรมาคือจิตใจตัวนั้นออกจากร่างออกจากร่างกายแล้วไปเกิดใหม่ ไปปฏิสนธิไปหาเกิดที่ใหม่อันนั้นเราว่าปฏิสนธิแล้ววัดตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกสิ่งที่ไปเกิดนั่นคืออะไรคือนามธรรมคือจิตใจคือโซเฟอร์จะพาไปเกิดในที่อื่นๆนี่แหละให้ศึกษาให้ศึกษาถ้าศึกษาถ้าปฏิบัติถ้านั่งจิตจิตใจผ่านความสงบแล้วนะ่จะรู้ได้ด้วยตนเอง ปัญหาในพวกเราท่านทั้งหลายศึกษาในจุดนี้นะทดลองนั่งภาวนาบ้างนะ้ะจิตใจสงบเร่ง เ, เราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจใจกับกา ย, เ, ยเห็นได้ชัดเลยที่านพอจิตใจสงบร่างกายสงบใจสงบนามธรรมคารุปรธรรมอาศัยกันอยู่แต่ไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยให้เราศึกษาเราจะรู้เรียนรู้ด้วยตนเองว่าตายแล้วไม่สู่แน่ ถ้าเรานั่งภาวนาอันนี้เลยคือหลักพิสูจน์นะหลักพิสูจน์ของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นให้คณะจตธาญาติยมทุกคนเนอะกี่ว่าตายแล้วศูนย์นะต้องเปลี่ยนใจใหม่นะต้องคิดให้ดีให้นั่งภาวนาให้พิสูจน์อย่าไปนึกเดาเอาอย่าไปคาดคะเนเอาคาดคะเนหรือเดาเอามันผิดพลาดมามากต่อมากแล้วต้องปฏิบัติผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้ วันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดสองสามอย่างคือหนึ่งพวกเราอยู่ด้วยกันให้มีสัมมาคารวะให้มีความเคารพซึ่งกันและกันอายุพรรษาให้เคารพอย่างไรการอยู่ด้วยกันอยู่ทางโลกให้เคารพในวัยวุฒิค น, นวุฒิวัยวุฒิค น, นวุฒิอยากจะรู้ว่า ตายแล้วเกิดแลวตายและศูนย์ให้นั่งภาวนาหลักพิสูจน์ของพุทธศาสนาต่อนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร